นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายเพราะเป็นเรื่องที่พระเจ้าท่านตรัสอย่างอะไรอะแรงๆนั่นในการว่าผู้หญิงเพราะว่าว่าผู้หญิงให้ภิกษุฟังเพื่อที่จะให้ภิกษุเนี่ยคลายคลายกาหนัดคลายความยินดีแต่จริงๆแล้วเนี่ย ผู้ชายนะคือคือผู้เจ้าเนี่ยตรัสให้กับภิกษุใช่ตรัสให้กับผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้หญิงมาฟังเรื่องเรื่องเนี้ยซึ่งึ่งึงเยอะมากเลยเรื่องนี้ยาวคงจะต้องคุยกันไปอีกหลายครั้งเลยแหละกว่าจะจบเอ่อมีคนถามว่าทำไมไม่ว่าภิกษุ ว่าพิสูแล้วจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะว่าพิสูุเนี่ยยินดีพอใจในผู้หญิงไม่ได้ยินดีพอใจที่ตัวเองเนี่เันก็ต้องว่าสิ่งที่พิสูไปยินดีนั่นแหละเพื่อที่จะให้เห็นเป็นอสุภะหรือว่าให้เห็นเป็นความทุกข์ให้เห็นเป็นอะไรให้ได้แล้วจิตมันถึงจะคลายได้อันนี้แม้ผู้หญิงเองอาจรมาก็พูดแต่ต้นเลย ผู้หญิงเองเนี่ยจริงๆประโยชน์ก็คือให้ให้รู้ให้เข้าใจในมุมตรงข้ามที่ว่าเออถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะจริงๆผู้หญิงก็จะยินดีพอใจผู้ชายเหมือนกันนั่นแหละเพราะถ้าฟังแล้วเนี่ยเราก็คิดตามแบบว่าผู้เจ้าตัดผู้ชายให้ให้ผู้ชายฟังว่าผู้หญิงให้ฟังส่วนผู้หญิงเนี่ยเวลาฟังแล้วก็ให้คิดเหมือนอย่างกับว่าผู้เจ้าเนี่ยว่าผู้ชายให้ฟัง นะก็จะทำนองเดียวกันเพราะว่าจริงๆกิเลสการกิเลสลาข้ามก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เรื่องนี้ความสาคัญเราจะเห็นสภาวะของอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเนี่ยมากขึ้นอ่ะก็คงจะเริ่มเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้ยาวมากคงต้องสอนกันไปอีกหลายครั้งทีเดียวกุนาราชาดกนะ เริ่มเรื่องขึ้นมาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะริมสะชื่อกูนาระนี่เนี่ยเป็นชื่อของชาดกเรื่องนี้เพราะว่าเนี่ยอยู่ที่ริมสะกูนาระทรงปารภถึงภิกษุ500รูปซึ่งถูกความเบื่อหน่ายอยากจะศึกบีบคั้นจึงตัดเทศเทศนาแสดงเรื่องในกูนาระชาดกดังนี้ เพราะนั้นให้ให้เรารูออ้อันนั้นเป็นการโปรยหัวท่านั้นเองให้รู้คร่าวๆแต่เดี๋ยวเราลองฟังดูว่าเนื้อหาจริงๆว่าที่มาของเรื่องนี้ทําไมจึงเกิดขึ้นเมื่กี้แค่โปรยหัวให้รู้คร่าวๆคราวนี้แหละจะเริ่มเรื่องเนื้อจริงๆนะเริ่มที่ว่าระหว่างเมืองก บ, บิลพัทกับเมืองโกริยะทั้งสองเมืองนี้ มีแม่น้ําโรฮีนีสายเดียวเท่านั้นไหลผ่านลงมาชนชาวสากิยะและชนชาวโกริยะจึงทําทํานบกั้นน้ําร่วมกันคือคือเรื่องเนี้ยนะพูดง่ายๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเมืองอ๋ อ, อกษัตริย์ทางชาวโกริยะวงเนี่ย ช, ชาวโกริยะวงนี่ก็เป็นพวกทางอะไรอะ ทางพระพุทธมารดาคือทางพนางสริมหามายาทางพนางพิมพานะอันนั้นจะเป็นเป็นญาติทางทางทางแม่ของพู้พระพเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธานะส่วนอีกด้านหนึ่งอะ่ะคือด้านของ อ, อะไรอะากยะหรือหรือในในที่นี้เขาใช้ว่าอะไรโกริยะ นะเนี่ยโกริยะเนี่ยก็คือพวกสากยะนั่นเองอันนี้ก็คือมาทางเมืองกบิลพัทนะโกริยะเนี่ยมาทางเมืองกบิลพัทว่า น, นี้เป็นสายพระเจ้าสุดโททนะเพราะนั้นปรากฏว่าสองเมืองเนี่ยมันมีแม่น้ําอยู่สายหนึ่งอยู่ระหว่างกลางคือแม่น้ําโลหินีซึ่งทั้งสองเมืองนี้ใช้แม่น้ําสายนี้ร่วมกัน นะก็คือเนี่ยมีทานบมีอะไรที่กั้นน้ำเนี่ยร่วมกันแล้วจึงตกกล้านะก็คือเนี่ยปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆครั้งครั้งหนึ่งในต้นเดือนเข้าวกล้าเฉาลงพวกกสิกรของชนชาวนครทั้งสองนั้นจึงประชุมกันพวกกสิกรชาวเมืองโกริยะกล่าวขึ้นก่อนว่าน้ำที่ปิดกั้นไวน้นี้ถ้าจะไขเข้านาทั้งสองฝ่าย ก็ไม่พอเลี้ยงต้นข้าวของพวกเราและพวกท่านก็ข้าวกล้าของพวกเราจะสำเร็จเพราะน้ำคราวเดียวเท่านั้นพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกเราเถิดนะอนี้ทางทางเมืองหนึ่งก็ขออีกเมืองหนึง่งแม้พวกกสิกรชาวเมืองกบิลละพัทก็พูดขึ้นว่าเมื่อพวกท่านได้ข้าวกล้าเอาบรรจุไว้ในช้างจนเต็มแล้วจงให้พวกเราถือเอากหาปั ะ, ะทองคา เงินนินมณีเที่ยวไปขอซื้อตามประตูเรือนของพวกท่านหรือแม้ข้าวกล้าของพวกเราก็จะสำเร็จได้เพราะน้ำคราวเดียวเท่านั้นเหมือนกันขอพวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกเราเถิดคือพูดง่ายง่ายชาวเมือง อ, อ, อีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกว่าอ๋อท่านเนี่ยจะเอาน้ำไปใช้ใช่ไหมแล้วท่านก็ได้ข้าวเสร็จแล้วก็จะต้องให พวกชันนี่เอาเงินทองไปซื้อมาหรือไงซื้อจากจากอีกฝ่ายหนึงเหรอเพราะนั้นบอกว่าเรื่องอะไรอ่ะพูดง่ายๆมันก็ไม่ยอมทั้งสองฝ่ายต่างก็ขึ้นเสียงเถียงกันว่าพวกเราจะไม่ให้นะแม้พวกเราก็จะไม่ยอมให้เหมือนกันดังนั้นครั้นพู้กันด้วยเสียงดังมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้กสิกรคนหนึ่งทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นตีเอาอีกคนหนึ่งเข้า อ้าตอนนี้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะนี่แหละถ้าเริ่มมีการเถียงกันยอมกันไม่ได้น่าจากเสียงดังก็เริ่มอ่าลงไม้ลงมือแล้วกันนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเพียงแค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านะถ้าเริ่มจุดประกายไฟวุบขึ้นมานี่นะมันเหมือนกับอะไรอะ่ะน้ํามันมันล้อมรอบอยู่แล้วอะ่ะเพียงแค่มีประกายไฟแว บ, บขึ้นมาเท่านั้นเองอไฟก็ลุกแน่นอน เพราะนั้นพอเริ่มมีคนนึงทนไม่ไหวเนี่ยลงไม้ลงมือเท่านั้นใช่ไหมแม้คนที่ถูกตีนั้นก็ตีคนอื่นๆต่อไปอีกต่างฝ่ายต่างตีกันวุ่นวายอย่างนี้ก็เกิดการทะเลาะกระทบกระทั่งไปจนถึงชาติแห่งพร ะ, พ ร, ะ, ร, าพ ร, ะราชราชสกูลคือตอนแรกนี่ชาวบ้านคือชาวนาเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะมาด่ากันไปด่ากันมาหน้าก็เอาอะไรอะเอาเจ้านายเอาอะไรต่ออะไรของตัวเอง ขึ้นมาละนะขึ้นมาว่ากันขึ้นมาสู้กันพวกกสิกรชาวโกริยะกล่าวขึ้นก่อนว่าพวกมึงจงพาพวกเด็กๆสากิยะซึ่งอยู่ในเมืองกระเบื้องพัดไปเถิดไอ้พวกสังวาดกับน้องสาวของตัวเองเหมือนสัตว์ดีรฉานมีหมาบ้านและหมาป่าเป็นต้นถึงจะมีกำลังเป็นต้นว่าช้างมา้าโลและอาวุธ ก็จะทำอะไรพวกกูได้เอาแล้วนะตอนนี้กูกูมึงๆึงละเริ่มแล้วแล้วก็ตอนนี้ว่าไปถึงโคตรเง่าแล้วคือต้นต้นปฐมกษัตริย์ของทางศากยะเนี่ยมันมันจะมีเรื่องเล่ากันมาว่าที่เกิดปฐมกษัตริย์ของสากยะเนี่ยคือคือพวกพี่น้องมามาสร้างเมืองพอสร้างเมืองเสร็จแล้วเนี่ยเพราะความที่หยิงใน เชื้อกษัตริย์เพราะนั้นก็ไม่ยอมเลยที่จะแบบว่ามีลูกหลานเป็นเป็นคนอื่นน่ยที่ที่ที่ไม่ใช่กษัตรเพราะั้นแต่หลังก็เลยมีแบบว่ามีมีแบบว่าแต่งงานกันเองนั น, นี่เขาถึงด่าอย่างนี้มาไงถึงด่าว่าเนี่ยมาร่วมสังวาสกับน้องสาวของตัวเองเหมือนสัตว์ดีรชานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหว่าถึงลากเง่าเลยคนนี้ นะแต่ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัณณะกษัตริย์เพราะว่า อ, อ, อินเดียเนี่ยเขาถือเรื่องวัณณะมากเลยคือการแบ่งชนชั้นมันก็ถือว่าบริสุทธิ์โดยฐานะของกษัตริย์เนี่ยก็ต้องไม่ไปเจือปนกับวรณณะอื่นเลยใช่ไมเพราะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเหตุที่ไหนที่สุดก็เลยไม่ได้ไปแต่งกับคนอื่นก็เลยแต่งกันเองในพี่น้อง ใชแล้วก็ค่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งแต่ว่าตอนนั้นคือ ม, มันแค่ตอนต้นราชวงศ์เท่านั้นเองพอหลังจากนั้นมากไม็ไม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเองนะก็อาจจะแต่งกับกษัตริย์เมืองอื่นอะไรแต่ก็จะแต่งกับกษัตริย์ด้วยกันเท่านั้นคือจะไม่ไม่ไปแต่งกับวันหน้าอื่นอะไรเลยถ้าไปแต่งกับวันหน้าอื่นแล้วเป็นอะไรเป็นจันทรานไป เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่านี่พวกอีกเมืองนึงก็เลยด่าอย่างยี่ให้เลยนะเพราะฉะนั้นดูนะโอ้โหคราวนี้เล่นแรงนี่แม้พวกกสิกรชาวสากิยะสากิยะนี่คือสากสากะยะนั่นเองนะนะแม้พวกกสิกรชาวสากิยะก็กล่าวตอบว่าพวกมึงก็เหมือนกันจงพาเด็กขี่เลื้อนไปเสียในบัตรนี้ไอ้พวกอนาถาหาที่ไปไม่ได้ เที่ยว อ, อาศัยอยู่ในโพรงไม้กระเบาเหมือนสัตว์เดรัจฉานถึงจะมีกองทัพช้างมา้าโลและอาวุธก็จะกระทำอะไรแก่พวกกูได้อันนี้ก็ว่าลากเงาของของของอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะเพราะว่าปฐมกษัตริย์ของทางด้านทางด้านอะไรพรมานดาเนี่ยทางด้านโกริยะเนี่ยก็ปรากฏว่าต้นต้นกษัตริย์ เป็นอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นโรคอ่ะเอ่อเป็นโรคผุพองเป็นโรคอะไรต่ออะไรในนี้เขาก็เรียกว่าโรคเลือดนอะนะคือปรากฏว่าต้องแล้วก็ไปแอบไปหลบอยู่ที่ต้นไม้เรียกว่าต้นกระเบางัอยู่ในใ น, ในไอ้ดงกระเบาเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ก็ด่าไปถึงต้นขั้วรากเง้าเลยเหมือนกันคือด่ากันถึงขนาดนี้นี่แสดงว่ารุนแรงมากแล้วใช่ไหม ถ้าโกรธกันบางทีแล้วคนโกรธกันเนี่ยเขาก็ด่ากันเฉพาะอะไรอะ่ะเฉพาะส่วนตัวใช่ไหมที่ที่ทำให้ไม่ชอบใจกันขึ้นแต่นี่เริ่มนะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะก็ด่าพ่อร่อแม่กันไปแล้วครั้นี้ภาษาชาวบ้านก็กใช้อย่างเงี้ยก็ด่ากันไปถึงขนาดนี้นี่มันโอ้โหใครใครจะยิ่งยิ่งอะไรอะ่ะยิ่งขึ้นใหญ่เลยเซวนี้ชนเหล่านั้นต่างฝ่ายต่างก็ไปร้องเรียนอํามาด ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในการนั้นพวกอมตะจึงเสนอเรื่องราวแก่ราชตระกูลในลำดับนั้นพวกกษัตริย์สากิยะนั้นก็คือสากยะทั้งหลายจึงตรัดว่าพวกเราจะสำแดงเรี่ยวแรงและกำลังของคนที่สังวาสกาน้องสาวให้ดู <c oughs> โกรธก็เอาคำเขานี่มาพูดนะพวกสากยะก็เตรียมแล้วแล้วตาเตรียมการรบยกทัพออกไป แม้กษัตริย์พวกโกริยะก็ตรัสว่าพวกเราก็จะสำแดงให้เห็นเรี่ยวแรงและกำลังของคนที่อยู่ในต้นกระเบาให้ดูแล้วก็ตะเตรียมการลบยกออกยกทัพออกไปเหมือนกันถ่วยง่ายขิงกราขาก็แรงแล้คนนี้ต่างฝ่ายต่างก็มีกำลังคือจากชาวบ้านทะเลาะ ก, กันเนี่ยเริ่มไปถึงอะไรละถึงภายในวงังละ นะแล้วก็ยกกองทัพกันออกไปแล้วตอนนี้เนี่ยมันบานปลายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครเนี่ยเออเวลามันมีเรื่องมีปัญหาเนี่ยพยายามควบคุมสถานการณ์ถ้ามันเกิดเหตุยังไงเนี่ยมันเล็กแค่ไหนพยายามให้มันเล็กแค่นั้นไม่ใช่เนี่ยพอเวลาใครสังเกตไหมพอเวลาใครมาพูดพูดสิ่งไม่ดีของคนอื่นเนี่ยให้เราฟังบางทีเราฟังแล้วฟังแล้วเป็นไงเออเอออ่า แหมบางทีหรือเขาเรียกหูเบาไงพอฟังโอโหเขาด่าเขาว่าอย่างงอนอย่างงี้ฟังมาแล้วโอโหขึ้นใหญ่เลยคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะลุกลามแล้วก็บานไปลายไปเรื่อยๆจนในที่สุดบางทีเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอันนี้จะต้องระวังให้ดีอาตอนนี้ในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จไปทับอยู่ณเมืองสาวัตถีทรงทอดพระเนตรดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทีเดียว อันนี้เป็น อ, อะไรอุปนิสัยปกติธรรมดาของพระพุทธเจ้าเลยที่ว่าช่วงใกล้รุ่งเนี่ยหลังจากที่ท่านอะไรอ่ะพักมาเรียบร้อยแล้วท่านจะตรวจดูว่าวันนี้ควรจะไปทำอะไรอันนี้อาจามาฝากไว้หน่อยสําหรับบางคนเนี่ยที่บางทีนี่ชอบมาตรวจดูตอนก่อนนอนน่ะไม่รู้เข้าใจไห้เนี่ยพูดอย่างนี้คือชอบบางทีอยู่หน้าก่อนจะนอน บางที่ก่อนจะนอนไม่ต้องคิดก็ได้นะไปนอนก็ไปนอนนะตนื่นขึ้นมาแล้วค่อยคิดก็ได้เพราะบางคนเลยนอนไม่ค่อยหลับเพราะชอบคิดก่อนนอนเนี่นะปรุงอยู่แน่แนะแล้วหลับแล้วก็ไม่เป็นสุขหรอกมันปรุงอะไรต่ออะไรเพราะบางทีก่อนจะนอนเนี่ยทําจิตสงบสงบดีกว่านิ่งๆหลับไปนะแล้วก็พอตื่นขึ้นมาแล้วนะมันได้พักมาแล้วคราวนี้ก็มาคิดเยเออเดี๋ยวจะทําอะไรมัง่งเพราะอันนี้เป็น เป็นพุทธวิสัยของผู้เท่เจ้าเลยันพอท่านหลังจากพักมาแล้วท่านก็จะมาพิจารณาว่าเออจะทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างในวันนี้ณนะพอพิจารณาแล้วได้ทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ทั้งสองพระนครมีการตระเตรียมรบแล้วยกกองทัพออกไปอย่างนี้พอรุ่งเช้าก็ทรงกระทําการชําระพระสรีล ะ, สะเสด็จเที่ยวไปบินทบาทในเมืองสาวัตถี สเสด็จกลับจากบินทบาดแล้วถึงเวลาเย็นก็สเสด็จออกจากพักคันท่ากุดีไม่ได้ตรัสบอกแก่ใครๆเลยทรงถือเอาบาดและจีวรด้วยพระองค์เองทรงคู่บาลังบระทับนั่งในระหว่างเสนาทั้งสองฝ่ายาพู้ยง่ายตอนนี้รู้แล้วว่าสองพวงนี้ยกทัพไปพระเจา้าบินทบาด เ, เสร็จฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะพอตกเย็นก็เอาเลย ไปเลยไปประทับนั่งระหว่างสองพวกเนี้ยเพราะว่ายกเายกทัพมาจอกันแล้วอะ่ะใช่ไหมฝ่ายเหล่ากษัตริย์สากิยะชาวเมืองกบิลพัทครั้นเห็นผู้มีพระภาคเจ้าจึงดำริว่าญาติผู้ประเสริฐของพวกเราเสด็จมาแล้วชรอยพระองค์คงจะได้ทราบข่าวว่าพวกเรากระทำการทะเลาะวิวาทกัน จิงพากันวางบรรดาอาวุธเสียด้วยตกโรงใจว่าก็เมื่อพระศ า, าสดาเสด็จมาแล้วพวกเราไม่อาจที่จะใช้อาวุธไปฟาดฟันร่างกายของผู้อื่นได้พวกชาวเมืองโกริยะจะฆ่าจะแกงพวกเราเสียก็ตามทีเถิดดูนะพระเจ้ายังไม่ทันตรัสอะไรเลยนะนี่คือบารมี แค่มานั่นนั่งขั้นอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองณรู้ข่าวเนี่ยสเสด็จมาอยู่ตรงกลางระหว่างสองกองทัพนี่พวกสาสากักยะคือพวกเคลียร์ยากโดยตรงน่าสายทางพ่อทางพระพุทธาทางพระเจ้าสุดโททนะนะปรากฏว่าพอเห็นพระเจ้านั่นเองอะ่ะวางอาวุธเลยบอกว่าโอ้โหบอกเอาละยอมยอมได้เลยนะ แบบว่าถ้าอีกฝ่ายยังจะมาฆ่า ก, ก็ยอมแต่จะไม่ไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งละนี่คือบารมีของผู้เจ้าที่ท่านสั่งสมคุณความดีจนกระทั่งคนนี้เคารพยำเกง่งเพราะนั้นแค่เห็นผู้เจ้าเท่านั้นเองอ่ะไอความชั่วความเลวไร้รที่มีอยู่ในใจนี่มันมันไม่กล้าเลยนะมันไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าจะไปทำชั่วเลย วันโอโหคุณคิดดูสิว่าคนเราเนี่ยถ้าเราทำดีได้ถึงขนาดนี้ขนาดนี้ได้แหมไปแก้ปัญหาอะไรนี่มันง่ายเนาะ <c oughs> ตอนนี้ฝ่ายกษัตริรย์ชาวเมืองโกริยะก็คิดแล้วก็กระทำอย่างนั้นเหมือนกันปากฏว่าทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นด้วยว่าจิตใจเนี่ยยังมี ความเคารพในผู้เจ้าแล้วก็มีกุศลละจิตยอยู่นะแม้ว่าจะโกรธเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเพราะยังมีกุศลจิตนี้อยู่เนี่ยเมื่อเห็นสิ่งที่ดีมาปรากฏฮวานก็เลยยอมด้วยความดีเนี่ยได้นะทั้งสองฝ่ายก็เลยยอมลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จประทับณพุทธอาฏอันประเสริฐ ซึ่งพวกกษัตริย์จัดถวายบนเนินทรายในภูมิประเทศอันรื่นรมแม้พระราชาทั้งสองฝ่ายนั้นก็พากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านะฮะูดง่ายก็เลยอะไรอะเตรียมที่เตรียมทางให้ผู้เจ้าเนี่ยประทับนั่งพระาศาสดาแม้ทรงทราบเรื่องอยู่<อ>ก็ได้ตรัสถามพวกกษัตริย์เหล่านั้นอีกว่าคือจริงๆเนี่ยผู้เจ้าเนี่ยได้ข่าวมาแล้ว รู้เรื่องแล้วว่ากษัตริย์สองฝ่ายนี้ทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรแต่อันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาแนะนำพวกเราเพราะพวกเราหน้าที่จะเรียนแบบหน้าที่จะทำตามพระเจ้าคือแม้ว่าจะยินข่าวมาอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่พอพู้เจ้าเนี่ยท่านไปเจอกับคู่กรณีท่านก็จะถามอีกว่าเออมันเกิดเหตุอะไรมาอะไรยังไงเนี่ยคือต้องถามความจริงจากปากของ ตัวต้นเหตุโดยตรงอันนี้ฝึกไม่ใช่นิสัยแบบหูเบาคำว่าหูเบาหมายถึงว่าฟังอะไรมาแล้วก็เชื่อตามนั้นเลยใช่ไหมทั้งๆที่อาจจะผิดก็ได้อาจจะพลาดก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เสมอเลยอย่างเช่นมีบางครั้งเนี่ยภิกษุมารายงานพระพุทธเจ้าว่าภิกษุรูปนั้นขี้โกธรูปน้นหลาะและรูปนู้นทาผิดอย่างนั้นอย่างนี้ ผู้เจ้าก็บอกให้ไปเรียกตัวมาพอเรียกตัวมาเสร็จไม่ใช่ผู้เจ้าลงโทษเลยนะผู้เจ้าก็ถามก่อนบางทีก็ย้อนถามไปว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเธอเป็นอย่างนี้นี้จริงหรือไม่จะถามเพื่อให้ผู้นั้นเนี่ยเล่าความจริงเล่ารายละเอียดมาพอเล่ามาแล้วเนี่ยผู้เจ้าถึงค่อยพิจารณาจากตัวต้นเหตุว่าเอาถ้าเป็นอย่างนี้งี้ถ้าผิดจริงท่านก็ก็ ตักเตือนไปหรือลงโทษไปว่าอันเนี้ยเสมอเลยผู้เจ้าท่านจะมีตัวนี้ว่าอันนี้จริงๆพวกเราก็ควรจะฝึกไว้เพราะส่วนใหญ่บางทีพวกเราเนี่ยพลาดง่ายเหลือเกินพลาดง่ายตรงไหนบอกแล้วคือฟังอะไรมาเนี่ยเราสรุปไปเลยสรุปไปเลยซึ่งทําให้เราเนี่ยพลาดง่ายโดยเฉพาะมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะ ที่เขาชอบตำหนิแล้วก็ว่าว่าคนโศกหมายถึงว่าเขามาสัมผัสแล้วเขาว่าเนี่ยพวกคนโศกเนี่ยโหแย่แย่ตรงไหนเขาบอกว่ารู้สึกว่าแย่ตรงชอบสรุปอะไรง่ายๆหมายถึงว่าเขาเข้ามาอยู่ลองลองมาคุ ก, กีีกับหมู่พวกเราแล้วเาก็สัมผัสเจอเจอเนี่ยแล้วเขาก็ชอบว่าตรงเนี้ยมีอาตมาเจอ หลายลายอยู่เหมือนกันที่เขาพูดประเด็นนี้ให้ฟังว่าโอ้โ oh, หทำไมอ่ะเนี่ยบางทีเขาโดนดา่าโดนว่าโดยที่เขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยอะ่ะแต่เขาโดนสรุปออกมาว่าอย่างงี้งี้งันนี้เตือนพวกเราด้วยว่าเออต้องระวังดีๆฟังอะไรเนะี่ยฟังเอาไว้แต่อย่าพึ่งนี่ไปปักลงไปว่าคนนั้นเป็นอย่างงี้คนนี้เป็นอย่างงน บางครั้งมันมีเหตุจำเป็นว่าอาจจะต้องรีบตัดสินใจแต่ก็ขอให้รอบครอบที่สุดนะเท่าที่เราจะทำได้นะอย่าอย่าใจง่ายเกินไปอย่าหูเบาเกินไปอ่าอันนี้ดูนะฟุทวิสัยของพระวิจานี่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นะนะตอนนี้ท่านก็ตัดถามพวกกรรษัตริย์เหล่านี้ดูก่อนมหาราชทั้งหลายพวกท่านมาณนะที่นี้ทำไม ก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ถามว่านี่มากันทำไมเนี่ยเยอะแยะกษัตริย์เรานั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันทั้งปวงมาเพื่อต้องการจะดูแม่น้ำนี้ก็หาไม่ได้เออไม่ใช่มาชมอะไรนะแหมแม่น้ำนี้สวยจังเลยนะบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มาชมแม่น้ำหรือว่าเพื่อต้องการจะเที่ยวเล่นก็หาไม่ได้ หรือว่าเพื่อต้องการจะดูภาพอันน่ารื่นรมในป่าดงก็หาไม่ได้ก็แต่ว่ามอมฉันมาณที่นี้เพราะการเริ่มสงครามกันขึ้นสมัยก่อนเนะ่เขาก็พูดกับตรงๆเขาก็พูดตามความเนจริงเพื่อง่ายยกพวกมาเพื่อจะมาสู้กันก็เลยต่อไปตามตรงว่ า, ว, าว่ามาเพื่อจะมาลบกันเนะี่ยผู้เจ้าท่านก็เลยตัดดูก่อนมหาราช เกิดทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องอะไรเล่ า, าลรู้แล้วนะว่าเนี่ยยกพวกมาจะมาทำสงครามกันก็เลยถามต่อว่าเรื่องอะไรเพราะเรื่องน้ำพระเจ้าค่าอา้าวนะบอกว่าเนี่ยเรื่องแย่งแย่ ง, ยงน้ำนี่แหละพระเจ้าท่านก็เลยถามว่าน้ำมีราคาสักเท่าไหร่ <laughs> ถามไปน้ำราคาเล็กน้อยพระเจ้าค่าก็แผ่นดินเล่า ราคาสักเท่าไหร่พุทธเจ้าเนี่ยเยปืนแผ่นดินเนี่ยนะราคาสักเท่าไหร่แผ่นดินมีราคาหาประมาณไม่ได้ พ, พระเจ้าค่าก็แล้วกษัตริย์เล่ามีราคาเท่าไหร่กษัตริย์มีราคาหาประมาณไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าค่าผูาพ้พุทธเจ้าถามมาสาอัานแล้วนะใช่หมหนึ่งถามว่าน้ํามีราคาเท่าไหร่สองถามว่าแผ่นดิน มีราคาเท่าไหร่สมถามว่ากษัตริย์เนี่ยมีราคาเท่าไหร่น้ํามีราคาเท่าไหร่เด็กน้อยไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่เป็นยังไงแผ่นดินโอ้แผ่นดินนี่ราคามากกว่ากษัตริย์ราคาสูงกว่าพระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนมหาราชทั้งหลายฉไหนพวกท่านจึงทําให้กษัตริย์ทั้งหลายซึ่งหาค่ามิได้ ให้พี่นาฏไปเพราะอาศัยน้ำซึ่งมีราคาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแม่เป็นวิธีการอะไรอ่ะพูดที่ไม่ต้องใช้อะไรมากเลยนะเปรียบเทียบแค่ง่ายๆด้วยแล้วก็เข้าใจชัดเจนเนี่ย โ, โหมาแย่งน้ำกันเนี่ยแล้วก็เพื่อจะมาลบลาค่าฟันกันตายใช่ไหมบอกว่าดูสิอะไรมันสำคัญกับกันเนี่ยอะไรมันมีค่ากับกัน ขั้นตัดดังนี้แล้วจึงตัดเทศนาพันธนะชาดกความว่าพูดง่ายนะพอผู้เจ้าเปรียบเทียบอันนี้ให้ฟังปับ๊บก็เลยเล่าชาดกให้ฟังนะเรื่องที่หนึ่งเลยชื่อว่าพันธนะชาดกนะเรื่องนี้ย่อๆนะความว่าดูก่อนมหาราชทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการหายใจคล่องเพราะเหตุทะเลาะวิวาสกันนั้นไม่มีเลย ด้วยว่าลุกกเทวดาตนหนึ่งกับหมีตัวอาฆาตกันเพราะเหตุทะเลาะวิวาทกันเวร น, นั้นก็ตกตามอยู่ตลอดกับนี้ทั้งสิ้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องชาดกที่เล่าเกี่ยวกับอะไรลุกกเทวดากับหมีนะอาฆาตกันแค้นกันทะเลาะกันแล้วก็จองเวรจองกรรมฆ่ากัน ขุจา่าท่านยกตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยการทะเลาะและการจองเวรการที่จะฆ่าทำร้ายกันเนี่ยมันไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนั้นก็เลยยกชาดกเรื่องนี้ขึ้นมาลําดับต่อจากนั้นไปก็ได้ตรัสเทศนาทุตทะพระชาดกเรื่องที่สองนะนี่ตัดเรื่องที่สองให้พวกกษัตริย์ฟังอีกว่าดูก่อนมหาราชทั้งหลายเกิดมาเป็นคนไม่ควรตื่นตูมหันไปตามเหตุ ของบุคคลอื่นก็คือไม่ควรเก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดจะเล่าให้ฟังนะพเจ้าบอกวันนเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังว่าพวกสัตว์จตุบทในประเทศหิมม์วันในประเทศหิหมะวันคือ <c oughs> คือป่าหิมพานนั่นเองซึ่งกว้างประมาณสามพันยอดเป็นไงสามพันยชดหนึ่งยอดจาได้ไหมเท่าไหร่ อ่กิโลเมตรวันั้นเอาไปคูณเข้านะคูณ3า0พันวันนี้โอโ้โหป่าหิมพานี่กว้างถึง3า0พโยนดนาสัตว์ป่านี่เยอะแยะพากันตื่นตูมยึดถือเรื่องของคนอื่นพากันวิ่งจะไปลงทะเลเพราะฟังคำของกระต่ายตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรยึดถือเอาเรื่องของคนอื่น